บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องนิวร์ทั้งห้าประการมาโดยลำดับตอนนี้เพราะว่าเรื่องข้อนิวร์นั้นเป็นการพูดกิเลสโดยสรุป ในระดับที่กิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นรุ่มรุมใจของบุคคลผู้ปฏิบัติกรรมฐานและแม้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าในช่วงใดที่รู้สึกว่าเป็นความขุดมัวเศร้าหมองประกวภายในจิตเมื่อลองตรวจสอบดูก็จะพบว่าเป็นอาการของนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งนั่นเอง ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปนัญหาที่มีความสําคัญที่พระเจ้าทรงแสดงพวกอรการมณ์กรรมฐานต่างๆไว้เป็นนั้นมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดละความรู้สึกในแนว ใ, น ใ, นใคร่ปรารถนาพอใจป่อยควา้าเพราะที่จริงแล้วก็ใกล้ต่อการกระทําความผิดเพียงแต่อยู่ระดับมโนทุจริต ถึงในแง่ของความผิดมันก็เป็นความผิดทางใจในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีความคิดรุนแรงเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะกระทำความผิดทางกายทางวาจาก็ง่ายข่าดังนั้นข้อนี้พระโบราณอาจารย์เรืออาจารย์ในปางก่อนได้พยายามศึกษากระบวนการทางจิตจีบเคียงกับหลัก ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆก็นำมาเรียบเรียงไว้ในที่ดึกเป็นอุบายวิธีที่จะบรรเทากิเลสซึ่งยังไม่เกิดขึ้นและกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าหากาเราคิดอย่างนี้ได้ก็บรรเทาปริมาณของกิเลสเอาไว้ไม่รุนแรงมากเกินไป กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจคนแล้วแต่ในจุดนั้นเองเราใช้ปัญญาไปตรวจสอบดูความคิดของตัวเองเมื่อปริมาณปัญญ า, าเพิ่มขึ้นปริมาณของกิเลสก็ดลดไปโดยธรรมชาติในข้อนี้สมหรับกรรมฉันนั้นจงแสดงปัจจัยประกอบซึ่งใช้ในการดำรงชีวิต หรือไม่ถึงก็ต้องไปนั่งสมาธิจเจริญสมถะกรรมฐานก็ได้เพราะดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าปัญหาสําคัญในการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ความมีสติสะพานจักความเพียรซึ่งบุคคลได้ใช้ไปในยาบททั้งหลายไม่เจาะจงว่าจะต้องนั่งสมาธิหรือยืนหรือเดินหรือแม้แต่หนอนแต่บุคคลจะอยู่ในยาบทใดก็ตามถ้าหากว่า มีคุณธรรมดังกล่าวเป็นพื้นฐานข้างใจเพื่อสามารถที่จะป้องกันสามารถที่จะบำบัดบาปกุศลต่างๆไว้ได้ในกลุ่มของพวกกามฉาันซึ่งเกิดขึ้นมาจากจิตของบุคคลไปกาหนดคุณค่าของสิ่งนั้นคือไปมองว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจะต้อง อารมณ์นั้นก็ให้เกิดความกำนัดเพลิดเพลินยินดีก็เหนียบนึกตรึกนึกถึงอารมณ์เหลอดนั้นนึกถึงไงของความเป็นจริงแล้วอารมณ์เหลอดนั้นเขาก็อยู่ในส่วนของเขาเขาจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจใครเลยถ้าจิตใจของบุคคลไม่ไปยอมรับก็อต้อ น, นองเดียวกใกล้ๆกับเรื่องอื่นเช่นเรื่องผีผีเป็นต้นที่จริงผีก็คือเรื่องของผี เป็นสภาพชีวิตประการหนึ่งซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาเขาก็อยู่ในส่วนเขาการที่เราไปกลัวเขาก็เพราะว่าเราไปเห็นความสําคัญของเขากระทัเขาเป็นที่มาของฤทธิอำนาจที่น่ากลัวน่าสยดสยองน่าำภัยอันตรายมาให้ถึงแม้แต่เรื่องเราอื่นเป็นสังเกตว่าเช่นคราวที่มีดาวหางอันเลขเกิดขึ้น หือหมุนมาใกล้โลกจริงๆาก็มีเข้ามานานแล้วเราก็มีอุปท า, านที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณวันในช่วงใดที่มีดาวหางอันเลขหมุนมาใกล้โลกโลกจะประสบความเดือดร้อนมีภัยพิบัติต่างๆในตนความคิดเหล่านี้มันก็ไปผนึกด้วยกัน คือเอาภัยพิบตัติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการกระทาของมนุษย์และความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติไปเชื่อมกับการปรากฏของดาวหางหันเล็บเพราะนั้เหตุการอะไรเกิดขึ้นก็จะมองว่าสืบเนื่องมาจากดาวหางดวงนี้ทั้งนั้นแต่ในจุดนี้เองถ้าหากว่าเราได้ใช้ปัญญาตรวจสอบดูก็จะพบว่าความเลร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโดยภัยธรรมชาติก็ดีโดยการกระทาของมนุษย์ดึว ก็ดีหรือด้วยการผรสมผสานทั้งสองข่ายก็ดีนั้นมันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเกิดขึ้นทุกส่วนของโลกแล้วในแง่ของความไม่จริงก็เกิดขึ้นทุกขนาได้ทำไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องก็ดาวหางหล่านั้นแต่เพราะอุปาทานคือใจเข้าไปลปูกไว้ไปยึดติดเอาไว้ในแนวนั้นมันก็เป็นตามความรู้สึกของเขาอย่างนั้นเช่นเดียวกันกลัวผีดังกล่าวแล้ว ลักษณะอารมณ์ที่กอ่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินยินดีก็เป็นเช่นนั้นเนื่องจากใจเราเอื้อมไปกำหนดสถานะของเขาไปให้ความสำคัญแก่เขาจากนั้นเขาก็มีอิทธิพลเหนือใจเราที่พระเจ้าทรงชายคำโดยสรุปว่าสุภนิมิตคือจิตไปกำหนดเขาว่าสวยงามแต่คำว่าสวยงามนั้นที่จริงเน้นไปที่รูป เวลากาหนดจริงๆก็กาหนดว่ารูปสวยงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอาจจาต้องตราบใดที่จุดเชื่อมทั้งสองจุดนี้ไม่ได้มีการแยกสลายปัญหาต่างๆก็จะติดตามมาอีกเป็นอันมากแต่เมื่อแยกก็ไปได้ก็ต่างคนทางอยู่จิตก็อยู่ส่วนจิตอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์ปัญหาที่เคยเกิดมันก็ไม่เกิดือส ง, งบลงไป เพราะในข้อนี้เราก็สอนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไว้ในชั้นแรกท่านบอกว่าให้เรียนเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นของไม่สวยงามเท่านี้ท่านสาธารชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นอาการทางจิตของเราที่เราสังเกตได้ถ้สมมติว่าเดินไปในห้างสรรพสินค้าเห็นสินค้าตัวหนึ่งเรามองจากที่ไกลก็สวยงามมากก็เกิดความอยากได้ เร ต, ตั้งใจที่จะซื้อหาสินค้าเหล่านั้นแต่เมื่อจับสินค้าเหล่านั้นพลิกไปพลิกมาไปดูพบจุดบิ่นจุดแตกจุดร้าวหรือจุดที่ไม่สม่ําเสมอขึ้นแต่เราดูจิตของเราในขณะนั้นว่าความอยากนั้นได้ลดลงไปและพอถึงจุดหนึ่งก็คือหมดอยากในสุดนั้นใจก็จะไปไปล่อยคว้าในเรื่องอื่ พการเลือกสินค้าในแต่ละคราวแม้ชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันหรือแม้แต่สีเดียวกันจะทำไปเธอสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางจิตได้ชัดพราจิตเอื้อมเข้าไปต้องการจะซื้อนั้นแสดงว่ากระแสตัณหาสูงสิ่งก็คือการยึดติดนะยึดที่จริงมันก็เป็นลักษณะของอุปาทานนะครับแต่เมื่อได้ตรวจสอบการตรวจสอบนั้นเป็นการใช้ปัญญา พิจารณาเพื่อจะหาความดีงามตามที่ตนคาดหวังเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ดูส่วนที่เป็นความบกพร่องของสิ่งนั้นๆแต่เห็นความสวยงามเป็นไปตามที่มุ่งหวังปริมาณตัะหาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดก็จะซื้อสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปท า, านยึดติดว่าเป็นของเรามีการหวงแหนทนุถนอมรักษาใจมันก็เดินไปอีกกระบวนหนึ่ง แต่พอเรามองเห็นว่ามันมีจุดบกพร่องดังกล่าวความก้หน้านั้นก็จะคลายลงไปความอยากได้ก็จะคลายลงไปบางทีพอเราเห็นมากๆเข้านี่แม้แต่เขาให้เปล่าเราก็ไม่เอาเพราะจุดบกพร่องที่เรียกว่าเป็นความไม่สวยไม่งามนั้นที่จริงปรากฏอยู่ในสังขารทั้งหลายและปรากฏอยู่มากเล้ไป เพียงแต่ว่าสังการนั้นถูกประดับประดาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วคนเองก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งอะไรทําลองคล้ายๆกับมองลงศพอยู่ข้างนอกที่มีความสวยงามประดับมุกแบบปิดทองมีเครื่องประดับตกแต่งสวยงามเราก็มองกันเฉพาะจุดนั้นแต่จริงถ้าสาวลึกลงไปก็จะพบว่ามีสิ่งปฏิกูลสุปลกปรกเบน่าเกลียดอยู่ข้างใน แต่ว่าคนทั่วไปเขาไมรู้เพรา ะ, ะนั้นจึงไม่มีใครไปอยากได้ลงศพไม่มีใครไปนอนใกล้ลงศพเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าข้างในเป็นอะไรในจุดอื่นๆถ้าหากว่าเราเกิดความรู้ก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ที่มีปัญหาก็คือเพราะไม่รู้การกําหนดอินเป็นความสวยงามนั้นจะมีการกําหนดอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆแล้วกัน พระเจ้าสรงใช้คำว่ารวบถือหมายความกําหนดคนนั้นสวยรถนั้นสวยบ้านนั้นสวยอะไรก็หมดกำหนดไปทั้งบ้านทั้งหลังทั้งคนทั้งชิ้นทั้งอันทั้งตัวอะไรก็แล้วแต่จะกําหนดอะไรกําหนดรวบไปเลยแต่ว่าบางทีนั้นจะกําหนดเป็นจุดใดจุดหนึ่งหรือหลา ย, ลายจุดคือตามปกติแล้วก็จะเห็นหลา ย, ลายจุด จึงจะเกิดความรักใคร่พอใจถ้าปริมาณจุดที่เราพอใจมากกว่าจุดที่เราไม่พอใจความอยากได้ในสิ่งนั้นก็มีการอุปทานที่ติดในสิ่งนั้นก็มีแต่ถ้าหากว่าเราเห็นความบกพร่องมากกว่าความสวยงามกิเลสมันก็จะลดลงไปทางการศึกษาในแนวนี้แนวพวกกรรมฐานทั้งหลายที่เราเรียนมาพวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ผ่านมาแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่า พระเจ้าก็ให้สวดสอบดูที่กายอันเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดรักใคร่พอใจยินดีของบุคคลทั้งหลายนั่นเองแต่ว่าตัวที่ดูง่ายที่สุดก็คือกายเราแต่ที่จะไปดูกายคนอื่นก็ดูที่กายเราแล้วมองเห็นความปฏิกูลในแต่ละจุดความเปลี่ยนแปลงในแต่ละจุดความเสื่อมในแต่ละจุดการรสาสภาพเดิมของตัวเองไว้ไม่ได้ในแต่ละจุด ตาตยาสายมีความประนีตพอมีสติปัญญามีเอกพลมากพอก็เรียนขนาดระดับลมหายใจเข้าออกเรียนความเปลี่ยนแปลงกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเรียรู้กิรยาบททั้งหลายที่มีความเคลื่อนไหวไปทุกขณะก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนที่ปรากฏอยู่ในลมหายใจเข้าออกกิริยาบทใจอิริยาบทน้อยทั้งหลาย ในจุดนี้ก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงแท้ไม่ยังยืนได้เปราการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงไปก็ํำนองคล้ายๆกับเรารู้เรื่องอาหารบางอย่างรู้ขนาที่บริโภคได้และขนาที่บริโภคไม่ได้ให้เราสังเกตว่าความอยากบริโภคนั้นจะเกิดสัมพันธ์กับขนาที่สิ่งนั้นยังน่าบริโภคอยู่ เ่พจรงเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเจนมาเย็นชืดไปแล้วหรือละลายหมดแล้วหรือค่อนข้างไปทางบูดไอความอยากรับประทานก็จะหายไปตัวความอยากเหล่านั้นก็คือกิเลสประเภทโลภะหรือที่เ ร, เรียกว่าตัณหาแต่พอดีมันมีปัญญาที่รู้ตลอดถึงเรื่องอาหารชนิดนั้นในขณะที่ปรากฏจะ อ, อาหารที่ควรร้อนก็ร้อนอาหารที่ควรเย็นก็เย็น ในจุดนั้นคือเป็นจุดที่ควรแก่การรับประทานแล้วก็รู้สึกว่าอันเด็ดร่อยเพราะก็ผ่านเวลาไปจเจนสิ่งที่ควรจะร้อนมันก็เย็นชืดหรือสิ่งที่ควรจะเย็นก็ละลายหมดแล้วก็วอยากมันก็ลดเพรานอาการทางกิตเหล่านี้ที่จริงเราก็สัมผัสกันอยู่ทุกคนแล้วก็หลายๆเรื่องวันทั้งหลายหลายครั้งแล้กันการสอนเราก็สอนจาจุดตัวนี้ ให้ศึกษาเรียนรู้จากสภาพจิตที่ปรากฏโดยธรรมชาติธรรมดาว่าที่จริงกิเลสมันก็ลดมันก็เพิ่มขึ้นมาธรรมะมันก็ลดมันก็เพิ่มขึ้นมาตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์ที่เราสัมผัสหรือตามการเหนี่ยวนึกกันตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายในขณะนั้นนราการพยายามศึกษาในส่วนที่ให้เห็นว่าไม่สวยไม่งาม เรายิ่งเห็นมากเท่าไหร่นี้กิเลส จ, จะลดน้อยลงเท่านั้นอย่างที่กล่าวไว้ในตัวอย่างเรื่องสินค้าเป็นต้นเพิ่มทษศศึกษามาตั้งสามเรื่องแล้วยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจพี่เจ้าก็สอนในสอนใแยกร่างกายออกเป็นส่สวนๆี่เรียกว่าอาการสไมสองในตอนตอน้ตนๆก็จะพูดแค่ห้าอย่างเพราะมันปรากฏแก่สายตาของเราดูผงคนเลพันหนังซึ่งปรากฏอยู่ข้างนอกก็สามอย่าง เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีการปรุงแต่งกันมากมีการประดับประดากันมากมีการชำระล้างกันมากในแต่ละวันแต่ละวันนั้นได้สูญเสียเวลาไปเพื่อสระผมเพื่อชำระให้เกิดความสะอาดให้มีกลิ่นหอมออกมาร่างกายก็มีลักษณะอย่างนั้นฟัาก็มีลักษณะอย่างนั้นมีการปรุงแต่งกันมากแต่เงินตาที่สูญเสียไปถ้าเป็นงบประมาณในแต่ละปีนี่ก็คงจะ ไม่รู้เท่าไรไปแก่แต่เราสังเกตรเราก็จริงแล้วเนี่ยมันอาการก็มันก็ปรากฏอยู่เรื่อยสิ่งที่ชาระขัดสีกันมาอย่างดีผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเริ่มออกสถานะที่แท้จริงแล้วกรดตต่างๆก็ปรากฏแล้วเป็นต้นความไม่สวยงามก็ปรากฏได้เห็นจนต้องมีการพกพาเครื่องประดับประดาหเหล่รานั้นไปในที่ต่างๆเพื่อช่วยบรรเทา ความปฏิกูลเอาไว้การศึกษาในเรื่องนี้เวลาสอนจริงๆท่านก็ศึกสรนใศึกษาถึงเรื่องรูปลักษณะของสิ่งนั้นๆถึงกลิ่นของสิ่งนั้นๆขนาดของสิ่งเดียดนั้นที่เกิดที่อยู่ของสิ่งเดียดนั้นซึ่งความคิดในแนวนี้ที่จริงก็เรามีเชื้ออยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ให้ลองสังเกตว่าผมได้อยู่บนศีรษะมีการชาระสระสางดีมีการปรุงแต่งสวยงามก็สระสะลวยเป็นที่พอใจของตนเองและของบุคคลอื่นแต่กับพอเปลี่ยนย้ายสถานที่เท่านั้นแม้ไปอยู่บนที่นอนเราก็ไม่พอใจแล้วก็ต้องหยิบทิ้งแล้วยิ่งไปอยู่บนอาหารก็จบสิ้นกันคือไม่รับประทานกันแธ่ถามว่าทําไมมันเป็นเช่นนั้น ก็แสดงว่าความรู้ว่าสิ่งนี้ปฏิกูลนั้นมีอยู่แล้วภายในใจเราแล้วแสดงออกมาให้เห็นเพียงแต่ว่าพอปรุงแต่งประดับประดาใจมันไม่สู้กิเลสมันจะครอบงาก็เกิดความอยากได้ความพอใจติดใจในเรื่อ ง, งนั้นพระก็ทรงสองในให้ศึกษาไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเห็นผมและฟันหนังเนื้อที่ไหนก็ตามก็คิดไปเรื่อยๆสะสมไว้ภายในใจ เรียกว่าเรียนนิมิตในอสุภะคือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเป็นการมองความจริงที่จริงเป็นการมองตัวความจริงมัเพราะเลยเพราะว่าร่างกายของเราที่จริงร่างกายเนี่ยท่านก็เรียกเรียกตามสภาพของเขาแปลว่าแหล่งหรือที่ประชุมหรือที่รวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเมื่อเราจะแตะตรงในร่างกายก็จริงมีความปฏิกูล บางครั้งไม่ถึงก็แยกกเป็นอาการสามสบสองพระเจ้าทรงใช้คําง่ายๆ่าร่างกายนี้มีกระดูกร่วมสามรอนประกอบกันขึ้นเป็นโครงร่างแล้วลึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็ดแล้วก็คุ้มไว้ด้วยเนื้อแล้วก็ปิดไว้ด้วยหนังนี่เป็นภาพที่เราเห็นได้ชัด ร, ร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นนะ แต่แปลกที่กลายเป็นที่ตั้งของตันธามนตจิติถือตัวถือตนยกตนข่มท่านเป็นตนทั้งๆที่เป็นกลุ่มของดินน้ําลงไฟอากาศด้วยกันก็คือการดูหมิ่นตัวเองเพราะในตัวเราก็ประกอบดินน้ําลงไฟอากาศตัวคนอื่นก็ประกอบดินน้ําลงไฟอากาศธาตุสังขารทั้งหลายก็ประกอบดินน้ําลงไฟอากาศแต่ก็แปลกที่ว่ามันเป็นที่ตั้งของตันธามนตจชิติ มีการขวยคว้ามีการปรารถนาทต่งมื่ที่ว่าขันของเราเพียงเล็กน้อยเราก็แบกไม่ค่อยไหวแล้วก็ยังไขว่คว้าที่จะแบกขันต่างๆไปน้นมากบางครั้งก็ยือแย่งไปจะแบกขันเราดังกันเพราะเะรเพราะใจคนไม่ได้ศึกษาในแง่มุมที่มันเป็นความจริงคือในความปฏิกูนของสิ่งเหล่านั้น แนว น, นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งสมาธิคือไปในที่ใดก็ตามดูตัวเราเองแม้ในขณะที่แปลงฟันในขณะที่อาบน้ำในขณะที่ชำรสะสสารร่างกายก็คิดไปเรื่อยสะสมไว้เรื่อยแบบสะสมความรู้ทีละคําทีละตัวอักทีละอักษรนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความรอบรู้ขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือต้นต้ น, ต น, ตนเราก็อ่านไออก อ่านปยัญชนะนสระมะวรณยุคปัณมาก่อนอ่นตัวสอนกันมาก่อนแต่พอเราเก็บสะสมไม่นานๆปริมาณของสิ่งเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นนํามาเรียบเรียงขึ้นมาเป็นเรื่องราวต่างๆมีการพูดมีการสนทนามีการขีดเขียนออกไปแต่จุดเริ่มต้นที่จริงก็มาจากการสะสมทีละนิดทีละหน่อยเรื่องการมองร่างกายตนเองและกายบุคคลอื่นในแง่ของความเป็นจริงเ้าก็สอนในลักษณะนี้ พยายามเรียนพยายามคิดพยายามมองเอาไว้ในมุมที่มันเป็นจริงเพราะถ้ามุมมองมุมที่มีการประดับประดาปรุงแต่งไว้มากและส่วนมากก็จะไปไม่ได้คือใจจะต้นานทานอารมณ์เหล่านี้ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อภายในเป็นอย่งมงนันก็คล้ายๆกับในร่างกายคนเรานั้นมีเชื้อโรคอยู่มากถ้าไปรับเชื้อบวกมาจากข้างนอกเราก็พร้อมที่จะเป็นโรค แต่ก็จริงถ้าร่างกายภายในเราแข็งแรงแม้จะมีเชื้อโรคอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่แรงเกินไปเราก็ไม่รับเชื้อเราได้ตั้งแต่ในวัฏฏรม้าจึงมีอยู่สองฐานพฐานข้างในเนี่ยเป็นยังไงถ้าภายในเรามีกิเลสมากก็ยากหน่อยกรรมาฐานที่ต้องกระจายเนี่ยเพราะว่าบางคนกิเลสเขาหนาได้เกิด แม้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพไปเป็นนั้นมากแล้วความกําหนัดก็ยังเกิดขึ้นเพราะแนวที่สอนในรูปแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆเป็นดินน้ําลงไฟก็ดีจนถึงก็ดูซากศพที่จึงซากศพนั้นเป็นซากศพคนอื่นดูซากศพในลักษณะต่างๆอยู่ในการเวลาที่แตกต่างกันสภาพของซากศพเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อ, อะไรเพื่อน้อมนึกเข้ามาหาตัวเองแล้วน้อมนึกข้าไปหารูปเหล่าอื่นที่ยังไม่ตายเพื่อจะเห็นความเป็นนันหนึงนเดียวกันแต่นี่จึงไม่ได้นั่งแต่ว่าใช้สติสัมปชัญญะความเพียรเป็นหลักประการที่สองนั้นคือต้องหมั่นเจริญสุภกรรมาฐานคือในอยู่ในวิสัยที่จะทาได้จึงก็เจริญสุภกรรมาฐาน โดยการเพ่งมองก่อนในเกิดความสงบแล้วก็คิดพิจารณาตามไปความกำหนัดความรักใคร่กัความรรปรารถนาก็จะจางไปคลายไปจากจิตใจของบุคคลเราเองเพราะเลยเพราะเรามองเห็นจุดที่มันบกพร่องชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทั้งเรื่องกายตนและก็กายบุคคลอื่น แต่การมันเจริญเรื่องเหล่านี้ที่ไม่ควรลืมก็คือว่าในชีวิตประจาวันของเรานั้นรับอารมณ์เหล่านี้อยู่มากและสวนมากจะมีการปรุงแต่งมีการประดับประดาไว้เป็นอย่างดียิงรับจากสื่อต่างๆแล้วจะเห็นความปรุงแต่งได้ชัดเจนมากยิง่งขึ้นแม้คนจะออกโทรทัศน์เนี่ยเขาก็เข้าห้องแต่งหน้าแต่งตาอตัวเสียก่อนเพื่อให้ เห็นเป็นความสวยงามน่าประทับใจเพราะเมื่อมีภาพปรุงแต่งมากเราก็หลงทางได้ง่ายการจะต้านทานอารมณ์เหล่านี้จึงต้องทำบ่อยๆทั้งสองเรื่องหายความว่าเวลาเกี่ยวข้องอารมณ์ทั้งหลายก็คิดในแนวรีไปบ้างในแนวปฏิกูลไปบ้างแล้วก็พยายามเจริญกรรมฐานาเหล่านี้ อย่างที่ผู้เจ้าสอนพระสงฆ์นั้นจะสอนให้ใช้อาการ32หรืออย่างน้อยก็5อย่างอย่า ง, างที่ว่าแล้วคือ <Okay, S 1> ผมค์นและควันหนังมาดูเรื่อยหรือแม้กะทั่งก็จะริ่นครบทั้ง32ข้อแล้วก็พิจารณาไปแต่ละข้อยกผมขึ้นมาแล้วก็พยายามพิจารณาถึงแนวการพิจารณานั้นอาจจะมีผมมาวางอยู่ก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราก็คุ้นดู แต่พยายามคิดในแง่ที่เขาเป็นจริงคุณสภาพจริงที่ไม่มีการปรุงแต่งนะั้นมันเป็นยังไงไม่มีการชําระล้างไม่มีการขัดสีไม่มีการประพรุมด้วยของหอมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราแต่พอเ ข, ข้าถึงความจริงเนี่ยกิเลสประเภทโมฆะกิเลสประเภทโลภะหรือแม้แต่โทสะเนี่ยพอ ป, ปัญญาเกิดขึ้นอย่างเดียวก็จบ อย่ตัวอย่างของภาชนะที่ว่าไปแล้วพอปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาเท่านั้นเองพอเห็นส่วนโทษแล้วกิเลสก็จะลดเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเราสามารถทดลองได้สังสารชนอาจจะออกจากนี้แล้วก็ปล่อยห้างสรรพสินค้าดูก็จะเห็นว่าความเ ป, ปลี่ยนแปลงทางจิตมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่เรากินอาหารกำลังอร่อยๆสมมติว่ากินอาหารกำลังอร่อยๆ แล้วไปเจอสิ่งแ ป, ปรปลอมปนอยู่ในอาหารเหล่านั้นความอยากรับประทานความอร่อยนั้นจะบรรเทาลงไปแต่จีเพราะมองเห็นความปฏิกูลมองเห็นโทษมองเห็นความสกปรกของอาหารเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้ารับประทานในที่มืดนั้นจะรับประทานไปสบายบางทีก็อาจจะกินอะไรก็ไปบ้างก็ไปถูกแต่ลักษณะมืดมันก็เป็นโมฆะ ทำใหเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็กินไปอย่างนั้นเด้งนั่นคือลักษณะของจิตที่จะมองว่าธรรมะที่ส่งสอนนั้นไม่ได้เอามาจากไหนเลยมันเอามาจากตัวเราแต่ละคนเอาจากสภาพจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะการรายงานการรายงานจากค้องแลบที่มาติดตามสังเกตในความเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จดบันทึกไปเรื่อยมันก็กลายเป็นเอกสารยาวเวยือก ที่จริงเป็นการมองสิ่งนั้นกับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยเวลาพูดมันก็เรื่องยาวการดูพฤติกรรมทางจิตก็เป็นเช่นนั้นที่จริงจิตของเราจิตเดียวนี่แหละแต่ว่ามีกิเลสบ้างมีธรรมะบ้างกิเลสมากบ้า ง, าางน้อยบ้างยาวบ้างละเอียดบ้างจิตใจไ ข, ขว้คว้าอย่างนั้นอย่างนี้จงโน้มมาพอเขียนไปรายงานมันเลยยาวใหญ่ แต่ถ้าเรานั่งดูจิตของเราเองเราก็นั่งดูเอาได้โดยไม่ต้องอ่านตำราก็ได้ก็ดูประจิตตรงนี้เป็นอย่างนั้นจิตตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้ความรักมันเพิ่มขึ้นตรงนี้ความรักมันลดลงทำไมจึงลดลงอาจจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นอาจจะเห็นความบกพร่องของสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าสิ่งนั้นทําให้เราไม่พอใจความรักมันก็ลดได้ด้วยกันทั้งสองอย่างเช่ว่าคนที่เรารักเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งก็เกิดทําให้เราไม่พอใจความรักมันก็คลายลงไป เจอคนที่เรารักนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาขินเข้าใจบุคคลนั้นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรักความกนัดก็จะบรรเทาลงไปได้นั้นก็เป็นอาการที่เราสัมผัสที่เราปรากฏดูสิ่งเหล่านี้ท่านก็ดึงขึ้นมาให้ดูว่าใช้มามากยิง่งคิดเคยที่จริงก็ใช้อยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่ามีกําลังไม่มากพอที่จะคุ้มครองกิจใจ ต, ตัวเองก็ใช้มากขึ้น การต่อไปเพื่อปิดกั้นกระแสของกิเลสไม่ให้ทะลักเข้ามามากเกินไปก็ใช้วิธีของการสํารวจระวังที่ใช้กรรมอินทรียร์สังวร mm. ซึ่งก้อนี้ทั้งสาตัชนจะพบว่าเราเจอบ่อยที่สุดเพราะอินทสียสังวร น, นั้นจะปรากฏอยู่มากเพราะอะไรเพราะโลกเราเป็นโลกสัมผัสทุกวันเราเห็นรูปฟังเสียงดงกลินิมนตรถตุต้องยีร้อนนอนแข็งล้วก็ทุกวันนั้นธรรมะก็เกิดกิเลสก็เกิด ไม่จะเกิดเฉพาะกิเลสอย่างเดียวเกิดกิเลสเฉพาะอย่างเดียวก็แย่แล้วแต่ว่าเกิดธรรมะก็เกิดเป็นนัดบ้ากอนกันเพียงแต่ว่าอารมณ์ในชีวิตแต่ละวันนั้นกระตุ้นกิเลสมากกว่ากระตุ้นธรรมะคนเราสามารถนั่งเล่นไพ่ได้เป็นชั่วชวโมงแต่ว่านั่งกรรมฐานเป็นชั่วชวโมงก็คงจะไม่เอาสามารถดูการแสดงการลเล่นดูประสบต่ตางๆได้หลายๆชั่วโมงแต่มาฟังธรรมะเป็นหลายๆชั่วโมงก็ไม่ไหวเพราะ ช่วงระยะเวลาที่รับธรรมะรับกิเลสเนี่ยรับสื่อกิเลสเนี่ยมันต่างกันมากการที่ปริมาณกิเลสเพิ่มจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกถ้ากิเลสลดจะกลายเป็นเรื่องแปลกวิธีที่จะแก้ไม้กิเลสมันเพิ่มเร็วเกินไปนก็คงจะเพิ่มแต่ว่าทํายังไงอยให้เพิ่มเร็วเกินไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสิต่อ